พุทธประวัติจากพระ 21 ตรัสแก่อัมพทธะมานพสิทธพรามโปกขะคระสาติที่ปาอิจฉานังคละ <c oughs> เรื่องดึกดำบรรพ์พระเจ้าอุกากราชปรารถนาราชกุมารผู้มีคือเจ้าอุกามุกกะระหัตถินีกะ สินีปุระออกจากราชไปตั้งสอยู่นปาใหญ่ใกล้สบข้างผูเขาหิมมาผ่านกลัวชาติจระกันจึงสมกับพี่น้องหญิงของเธอเองต่อมา พระเจ้าอุกกากราชตรัสถามอมหาต จึงสมสู่กับภคินีของตนเอง ท่านตัดกับว่าเศรษฐะว่าว่าเศรษฐะพระราชา ก็พวกศากยะทั้งหลายย่อมทําการต้อนรับทําการอภิวาทลุกขึ้นยืนรับกระทําอัญชลีกรรมและสามีจิกรรมในพระราชาประเสณทิโกศล การต้อนรับ <c oughs> <c oughs> สูตรนี้ตรัสตอบกับพระเจ้าพิมพิสารสมบูรณ์ด้วยความเพียรเครื่องหาทรัพย์เป็น ก็ปรารถนากามก็หามิ <c oughs> <c oughs> มาแต่ที่เฉพาะพระพรรคพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าดูก่อนอนลโพธิสัตว์มีสติรู้ ข้าพระองค์ย่อมถือไว้ว่าเป็นของ รู้ตัวทั่วพร้อมดำรงอยู่ใน ค่าแต่พระองค์ผู้จะเรินข้อนี้ค้าพระองค์ได้ฟังมาเฉพาะพระพักพระผู้หมีพระพักเจ้าได้จำมาแต่ที่เฉพาะพระพักพระพูมีพระพักเจ้าว่าดูก่อนอ ಠน picked การจุติลงสู่คัณ ฆ่าแประกาศdesicsmira อเบิดประเคพระค์พูล legislature ค่อนี้ที่พระองค์ได้ฟังมาเฉพาrence พระฤษย์พระพูดหมีประภอกเจ้าว่าได้จํามาแต่ที่เฉพาะพระพูดหมีพระพระค์เจ้าว่าดูก่อนอันน แม้ข้อนี้ข้าพระองค์ย่อม <c oughs> <c oughs> มาเฉพาะพระพรรคพระผู้มีพระภาคเจ้าได้จำมาแต่ที่เฉพาะพระพรรคจน ได้ปรากฏขึ้นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกปรมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งอัน ส่งไปไม่ถึงนั้นก็ได้ปรากฏขึ้นเหมือนกันในที่นั้นแสงสว่าง <c oughs> ผู้อื่นอันเกิดอยู่ในที่นี้นอกจากเราก็มีอยู่ แม้ข้อนี้ข้า <c oughs> เออวัน